ภิกษุรับคำ3ามร้สภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุรับคำไปบอกไม่กลับมาบอกต้องอบัตทุลใจภิกษุรับคำไม่ไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตทุลใจภิกษุรับคำไม่ไปบอกไม่กลับมาบอกต้องอบัตทุกกฎภิกษุไม่รับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตทุลใจ ภิกษุไม่รับคําไปบอกไม่กลับมาบอกต้องอบัติทุกกฎภิกษุไม่รับคําไม่ไปบอกกลับมาบอกต้องอบัติทุกกฎภิกษุไม่รับคําไม่ไปบอกไม่กลับมาบอกไม่ต้องอบัติ